บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปงเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งความสุขจัดเป็นคู่คู่ความสุขที่แสดงไว้เป็นคู่คู่ในอังคุตระนิกายทุ ก, กนิบาทสุขวัตรมีดังนี้คู่ที่หนึ่งขี้สุขสุขของคารหัดหรือสุขของชาวบ้าน บรณประชาสุขหรือบรรฑ์ปชิตสุขสุขในชีวิตการบวชหรือสุขของนักบวชคู่ที่สองกามสุขสุขเกิดจากกามกับเนคขมมสุขสุขเกิดจากความปลอดโปร่งจากกามหรือจากความสละออกไม่โลภคู่ที่สอุปทิสุขสุขกลัวทุกได้แก่สุขในไตรภูมิหรือโลกิยาสุข นี่รูปปฏิสุขสุขไม่กลัวทุกได้แก่โลกุตตระสุขคู่ที่สี่สาสวะสุขสุขก่ออาสวะกับอนาสวะสุขสุขไม่ก่ออาสวะหรือสุขไร้อาสวะคู่ที่ห้าสามิสสุขสุขอิงอามิตรหรือสุขอาศัยเหยื่อล่อหรือสุขขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพ หรือสุขทางเนื้อหนังกับนิรามิสสุขสุขไม่อิงอามิตรสุขไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อหรือสุขไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพคู่ที่หกอนารยสุขสุขของผู้ไม่เป็นอริยะคือสุขของปุถุชนกับอริยสุขสุขของพระอริยะคู่ที่เจ็ดกายกสุขสุขทางกายกับเจตสิกสุขสุขทางใจ คู่ที่8สับปีติกะสุกสุขเจือปีติได้แก่สุขในชานที่หนึ่งและชานที่สองกับนิปปีติกะสุกสุขไม่เจือปีติได้แก่สุขในชานที่สามและที่สี่คู่ที่เกสาตะสุขสุขมีรสชื่นอัตถากถาว่าได้แก่สุขในชานสามขั้นต้นกับอุเบขาสุขสุขเกิดแต่อุเบขาคือสุข เมื่อจิตได้ดุลเต็มที่มองดูเฉยอย่างเป็นกลางพร้อมที่จะเห็นตามเป็นจริงและวินิจฉัยโดยถูกต้องเสมือนคนมีปัญญาผู้มองจากนอกเหตุการณ์ท่านว่าได้แก่สุขในฌานที่สี่คู่ที่สิบสมาธิสุขสุขเกิดจากสมาธิไม่ว่าอุปจาระหรืออ ป, ปนาก็ตามกับอะสมาธิสุขสุขที่ไม่ถึงสมาธิคู่ที่อ สัปปีติการัมมณสุขสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานสองขั้นแรกที่มีปีติกับนิปปีติการัมมณสุขสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่สและที่สซึ่งไม่มีปีติคู่ที่12สาตารัมมณสุขสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานสามแรกที่มีรสชื่นกับอุเ ป, ปขารัมมณสุขสุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่สี่ ซึ่งมีอุเบกขาคู่ที่สิบสามรูปารมณสุขสุขมีรูปธรรมหรือรูปฌานเป็นอารมณ์กับอรูปารมณสุขสุขมีอรูปธรรมหรืออรูปฌานเป็นอารมณ์แต่ละคู่มีคำสรุปท้ายว่าสุขอย่างหลังเป็นเลิศหรือยอดเยี่ยมกว่าอันหนึ่งพึงระลึกไว้ด้วยว่า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 สุขอาศัยอามิ t ได้แก่กามาสุขนั่นเอง 2. นิรามิสสุขสุขไม่อาศัยอามิ t ท่านหมายถึงสุขในฌานสามชั้นต้น 3. นิรามิสตะระสุขสุขยิ่งกว่าเนรามิสสุขหรือสุขเหนือกว่าเนรามิสสุขท่านหมายถึงความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพผู้พิจารณาจิตซึ่งหลุดพ้นแล้วจากราคะโทสะและโมหะ อัตถกถากล่าวว่าสุขอย่างที่สามคือนิรามิสตรรสุขนั้นเป็นโลกุตระเรียกอย่างง่ายๆว่าสุขเกิดจากปัจจเวขณะยานของพระอรหัน์นั่นเองแต่เหนือกว่าสุขอย่างที่สองคือนิรามิสสุขซึ่งอาจเป็นโลกีก็ได้โลกุตระก็ได้คือเป็นโลกุตระในเมื่อเป็นฌานของพระอริยบุคคลที่กล่าวว่าเชียดเข้ามากับการจัดกลุ่มข้างต้นก็เพราะ มีความคล้ายคลึงในแง่ของขอบเขตกล่าวคือสามิสสุขตรงกับกามสุขเนรามิสสุขอยู่ในเขตของชาณสุขและเนรามิสตระสุขพ้นหรือนอกเหนือออกไปจากชาณสุขส่วนข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือกามาสุขชาณสุขและเนโรทสมาปฏิสุขครอบคลุมหมดทั้งสุขที่เป็นเวทนาและสุขที่ไม่ใช่เวทนา แต่สามิ ส, สุขเนรามิสสุขและเนรามิสะตรสุขในที่นี้รวมอยู่ในสุขที่เป็นเวทนาเท่านั้นดังนั้นเนรามิสสุขอย่างสูงจึงถึงตัติยชฌานเท่านั้นไม่คลุมฌานาสุขทั้งหมดในจตุตฌานท่านแยกออกไปเรียกว่าเนรามิสะอุเบขาซึ่งครอบคลุมถึงอรูปฌานได้ด้วยเพราะอรูปฌานอยู่ในระดับของจตุตฌานนั่นเอง ส่วนเนโรธาสมาปัฏิสุขกับเนรามิสัตระสุขนั้นแยกออกไปคนละด้านทีเดียวกล่าวคือเนโรธาสมาปฏิสุขแม้จะพ้นจากฌานแต่ยังเป็นเรื่องของสมาบัติและพระอรหันต์กับพระอนาคามีที่ชำนาญสมาบัตแปเท่านั้นจึงจะเข้าได้ส่วนเนรามิสัตระสุขในที่นี้ท่านหมายเอาสุขจากปัจจเวขณญาณเฉพาะของพระอรหันต์ซึ่งจะเป็นอุปโตภาควิมุต หรือปัญญาวิมุตตที่ไม่ได้สมาบัตแปดก็ได้อย่างไรก็ดีถ้าเพ่งเฉพาะสับน่าจะจัดนี่โรธาสมาปฏิสุขเป็นสุขที่ยิ่งกว่ า, น, านี่รามิตได้โดยปริยายหนึ่งเหมือนกัน